เราฟังที่ครพค่ารายการสันสนีสนทนานะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะได้มากราบน้อมักการณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนายโซกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่กราบเตืยนถามถึงการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคือนําพุทธวจนะของพระศาสดามาตอบคำถามของพวกเราไปพบกับพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบน้อมสักการณ์ท่านคะเชิญปานค่ะขณะที่กําลังบันทึกเสียงกับท่านอาจารย์เนี่ยข้างนอกก็ฝน กำ <c oughs> ลังพอสมควรนะคะไม่มากไม่น้อยอืมก็ต้องถือว่าฝนนี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เคยเปรียบเทียบบุปผาบุมาบุมาอยวกับฝนหลายอย่างกันคะ่ะอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบ ว, ว่าฝนเนี่ยถ้ามันตกอยู่บนภูเขาใช่ไหมค่อยๆตกไปตกไปเนี่ยน้ําในอห้วยหนองคลองบึงแรงต่างก็ค่อยๆเต็มขึ้นมา แม่น้ำน้อยก็เต็มขึ้นฝนยังตกไม่อยู่อีกไม่หยุดอีกแม่น้ําใหญ่ก็เต็มมาสมมติก็เต็ม อ, อย่างตัวอย่างที่น้ําที่มันไหลามาจากเขื่อนเนี่ยจริ ง, รงๆเขื่อนภูวิพน์ก็ดีเขื่อนสิริกิตต์ก็ดีนะคุณโยมติ๋วฝนที่ตกปริมาณหน้าเขื่อนเองเนี่ที่ตรงตัวเขื่อนเนี่ยไม่ได้มีมากอะไรเลยก็พอประมาณแต่มันจะไปทั่วๆไปบริเวณนี้เขาตกบนยอดเขาบ้างนั่นนี่มัาก็รวมๆกันมันก็มากขึ้นอันนี้คือในยะที่หนึ่งที่พูดถึงฝนแต่ ว, ว่ามันทําให้ น้ำมันมากได้ทําให้มหาสมุทรเนี่ย ม, มันเต็มขึ้นมาได้ค่ะอีกอุปว่าอุปมาอกหนึ่งก็คือเปรียบเทียบกับเวลาเม็ดฝนเนี่ยมันตกลงบนน้าเนี่ยมันจะมีต่ำน้ําเกิดขึ้นป๊อกๆอย่างเงี้ยนะต่ำน้ําที่มันเกิดแล้วก็ป๊อกหายไปเนี่ยตําน้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับเจ้าขันทั้งห้าที่มันไม่เที่ยงนะมีมีเวลาอยู่เวลาแค่แป๊บๆ แ, แล้วก็แต่งดับหายไปเราไม่ควรจะเห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้ก็มีสองในายานี้ค่ะท <คะ S 2> ่านค่ะ ทีนี้พูดถึงเรื่องฝนที่ฉันก็เห็นประชาชนพากันตระนกหวาดกลัวกันอยู่ในขนาดนี้อย่างไรก็ตามไม่มีฝนก็อยู่ลำบากเพราะว่าดิฉันเดินทางเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะขึ้นเหนือหลายจังหวัดก็เจอฝนตกหนักแล้วก็ไปดูการแก้ไขปัญหาการช่ชวยกันบำบัดขจัดปัดเป่าความเดือดร้อน ของทางภาครัฐภาคเอกชนต่างๆร่วมกันแล้วก็ล่องใต้ไปภาคใต้พอไปภาคใต้ไปรับรายงานที่น่าจะเป็นจังหวัดนาราธิวาสขออภัยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการพูดถึงว่าขนาดจังหวัดเดียวนี่นนะคะถ้าไปทางด้านหนึ่งคือด้านตะวันออกเนี่ยจะแล้งอย่างเห็นได้ชัดเป็นที่วิตกว่าจะเกิดภัยแ้งมากกว่าได้ซไป แล้วก็ต้องเตรียมสําหรับการที่จะให้มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคดังนั้นก็จึงอยากจะอาศัยในการธรรมะเนี่ยกล่าวเรียนท่านว่านี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันบริหารจัดการแล้วก็ในส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับรัฐบาลก็ต้องบอกว่าทํางานกันอย่างเป็มที่และการวางระบบต่างๆที่เกิดขึ้นที่คณะกรรมการบริหารจัดการทุกภัยแห่งชาติเนี่ยนะคะก็เป็นไปอย่างที่ตามระบบ แล้วนำออกมาใช้ในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีที่จะทำให้คนทำงานเนี่ยได้รู้วิธีในการทำงานภายใต้ข้อมูลเดียวก็จะได้ทำงานกันอย่างไม่สับสนแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าจากส่วนนี้ไปส่วนนั้นใครเป็นผู้รับผิดชอบอย่างถูกต้องงานก็จะเป็นที่ปรากฏาเกิดประสิทธิภาพทีนี้ภาพจากข่าวในบางครั้งอาจจะดูน่ากลัวนั่นก็เป็นเรื่องที่ ภาพณนะเวลานั้นๆแล้วบางทาีการที่จะให้ฝนตกมาเนี่ยจะให้หายไปทีเดียวก็ยากนะคะท่าน yeah, <wow. S 2> บางที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เคยมีน้ำท่วมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแต่ว่าในส่วนที่ไม่ใช่วิถีชีวิตหรือแม้แต่กระทั่งเป็นส่วนที่เคยเป็นวิถีชีวิตแต่เดิมก็มีความพยายามในการที่จะช่วยบรรเทาและบางอย่างก็ต้องใช้เวลาหรือว่าบางอย่างก็ สุดวิสัยเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาใหญ่ได้เช่นการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บางที่เขามีความขัดแย้งกันที่บางส่วนอยากให้สร้างบางส่วนไม่อยากให้สร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ่องผนก็เป็นเรื่องที่ฉันเข้าใจว่าถ้าเราหันหน้าเข้าหากันเห็นใจกันช่วยกันสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันเราก็จะผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างไม่มีความทุกข์มากนักแล้วก็ไม่มีความขัดแยง้งทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโยติ๋วต้องการแก้ปัญหาระยะ ย, ยาวไหมหล่ะ เออคือมันมีทั้งระยะสั้นทั้งระยะยาวไงคะเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไงค่ะคือเราพูดถึงว่าปริมาณน้ําเนี่ยนะเราก็พยายามแก้กันมาตั้งโอ้ยตั้งแต่สมัยพุยธาตายายเนี่ยเนา ะ, นะค่ะรัฐบาลไหนก็พยายามแก้กันน้ําแรงบ้างบางทีก็น้ําท่วมบ้างมันก็แก้กันไม่จบสักทีปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ก็ยังมีอยู่ใช่จุดนะนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างไงนะคือพระพุทธเจ้าพูดถึงอาการที่น้ํามันมันไม่มาตามระบบตามที่มันต้องการเนี่ย เ่ยเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกอย่างไม่สม่ำเสมอบางจุดมากบ้างบงจุดน้อยไม่ทําไมฝนตกไม่สม่ําเสมอพู้เช่าก็พูดถึงระบบเพราะว่าระบบทิศทางลมเนี่ยมันแปรปรวนที่ระบบทิศทางลมมันแปรปรวนเนี่ยก็เพราะว่าความที่ไอ้วงรอบของวันของเดือนของปีเนี่ยมันมันไม่สม่ําเสมอที่วงรอบของวันของเดือนของปีเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอเนี่ยก็เพราะว่าวงโคจรของโลกของดวงอาทิติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไม่สม่ําเสมอ นะที่วงคอจรของดวงทิตย์ของโลกเนี่ยมันเปลีป่ยนแปลงไ ป, ไ, ปไม่สม่าเสมอรวมทั้งประจันด้วยเนี่ยนะก็เพราะว่าคนเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมนะพอคนไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยก็จึงทําให้ไอ้เจ้าดวงอาทิตย์ดวงอะไรต่างๆเนี่ยโลกหรือแม้แต่ดวงจันทร์เองก็ตามเนี่ยมีปริวัติที่วงรอบเนี่ยไม่สม่ําเสมอเพราะนั้น <Okay. S 1> ถ้าเราพิจารณาตรงนี้ที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยนะเราควรจะต้องแก้ปัญหาที่ระดับว่าไอ้ทำไมคนถึงไม่ตั้งอยู่ในธรรมนะเราจะทํายังไงให้คนเนี่ยมาตั้งอยู่ในธรรมให้ อมีศีลธรรมนะไม่ด่ากันมากไม่โกงกันมากนะมันก็จะแก้ปัญหาด้วยระยะยาวด้วยนะอันนี้นะค่ะอืมอ่าดิฉันคิดว่าท่านได้ยกเอาพุทธวจนะในส่วนที่สอดคล้องกับสถานการณ์มาพูดก็อยา ก, กลับเรียนถามท่านต่อนะคะเรียนบาลเพราะบางคนอาจจะคิดไม่ออกว่าเออพระสงฆ์กำลังพูดอะไรอยู่นะทําไมเรื่องฝนมากฝนน้อยน้ําท่วมน้ําแล้งมาเกิด เกี่ยวอะไรกับการที่คนไม่มีศีลธรรมเหมือนกับมันคนอยู่คนละส่วนอันนั้นก็ส่วนของธรรมชาติอย่างหนึ่งคนก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคนไม่ได้ทำให้เกิดน้ำฝนคนไม่ได้ทำให้เกิดน้ำแรง ม, มันเป็นสิ่งที่มีมาแต่ดั้งเดิมแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น อ, อท่านพอจะยกตัวอย่างไอความไม่มีธรรมของคนที่ทําให้เกิดน้ำท่วมน้ำแรง ชัดๆมากขึ้นหน่อยได้ไหมคะคือ ท, ที่ที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี้เป็นพุทวจนะเนีก็พระเจ้าได้ตรัสไว้เท่านี้ทีนี้ตัวอย่างเนี่ยมีคนโยมติว อ, อาคนบ้านหนองเต่าเนี่ยคนมีอ่าคนหนึ่งค่ะเป็นอุบาสกท่านหนึ่งเขาก็มารับส่งพระไปบิณฑบาตอยู่เรื่อยนะตอนเนี้ยปีเนี้ยที่บ้านหนองเต่าเนี่ยนะแต่ถววัดป่าต่อหน่อยโศกตำบลนอยโศกเนี่ยมันก็เป็นฝนแล้ง เป็นฝนแบบฝนไม่ค่อยมีนะชาวนาวกว่าจะได้นํานาเนี่ยนีบ่บางแปลงเนี่ยเพิ่งจะได้นำนาณตอนเนีนะ้ซึ่งเขาจริงๆจ้าหน้าทีนำนาเมื่อสองเดือนที่แล้วนะแต่บาง ค, <ะ>คนก็เพิ่งจะได้นำนาแต่ว่าของอุบาสกคนนี้เนี่ยหน้าของเขาเนี่ยมีน้ําดนะีก็ไม่รู้น้ํามันมาจากไหน น, <ะ>น้ำมันก็ดีของเขาอยู่เป็นปกติปีนี้ยิ่งดีมากในขณะที่คนกคนอื่นๆเนี่ยแรงนะข้าวนี่เหลืองอะไรไปหมดเลยเอถามว่าทําไมทำไมคุณถึงทํำคุณทําอะไรพิเศษไหม เขาบอกเขาก็ไม่ได้ทําอะไรพิเศษเขาก็ทําเหมือนเดิมนะก็ทําเหมือนเดิมบ่อเขาก็มีบ่อคนอื่นเขาก็ไม่ใช่ว่ามีไม่มีบอ่อเขาก็มีบ่อเงินแต่น้ําไม่มีอของเขาทําไมมีทําไมน้ํามันไหลมาทางนี้นะเขาก็คงเขาก็สรุปได้ว่าด้ดวยความเข้าใจของเขาเองนะว่าก็คงเป็นเพราะว่าบุญนี่แหละนะําบุญเนี่ยรักษาเขาไว้นะทําให้หน้ำของเขาเนี่ยมีน้ําอยู่นะนี่คือตัว <c oughs> อย่างที่เขาเขาไม่ได้ทําอะไรแตกต่างจากคนอื่นเลยนะแล้วคนมันก็อยู่กนสถานนี้เหมือนกันแปลกมากนะคะสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้าน เพื่อ น, อนร่วมภาบางคนน้ำไม่มีชใช้แต่เขามีชาใช้ท่ามกลางความไม่มีใช้ของคนใกล้ใกใช่ประหลาดไหมแ ล, แล้วพฤติกรรมของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคนมีศีลธรรมเป็นยังไง<อ>ครัอ๋อเขาก็มาวัดอยู่เป็นประชา ม, มารับส่งพระไปนั่นนี่คอยอุปถัมภ์บริการใช่ไหมถึงเวลาก็มาให้ทานรักษาศีล มารักษาศีลภรรยาก็ทําด้วยไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวคือถ้าสามีทำแล้วภรรยาในไปอีกแนวหนึ่งก็ไม่ได้นะทั้งครอบครัวมาลูกก็ลูกเต้าก็ทำหลานก็มานั่งสมาธิปฏิบัติด้วยคือทั้งครอบครัวเ น, นี่ยมีศีลทําหมดโอ้ดิ <นะ S 2> ฉันอยากจะประกาศไปยังใครดีล่ะสงสัยอาจจะต้องไปบอกส่วนส่วนหน้าอออืให้ม า, าสัมภาษณ์หน่อย <c oughs> หรือไม่งั้นก็ต้องไปเล่าให้กับวงของผู้บริหารจัดการนะำที่เป็นผู้นําฟังออืแล้วก็ แต่จริงๆผู้บริหารก็คือผู้บริหารก็มีหน้าที่ที่จะเป็นผู้นําในการที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านมาเป็นผู้ทํานะคะเพราะว่า อ, อย่างที่ท่านบอกว่าต้องทํากันทั้งทั้งหมดองคารายบของครอบครัวถึงจะปรากฏผลดีอย่างตัวอย่างครอบครัวนี้น่าสนใจนะคะจะลองนําร่องสักจังหวัดหนึ่งไหมเอ๊ะเดี๋ยวดิฉันจะเจอผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งมานะคะเนี่ยและสร้างกิติศัพท์ท่านว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรม อย่างจริงจังต่ อ, อเนื่องที่ฉันอาจจะไปกราบเรียนท่านว่าถ้าลองใช้วิธีนี้อีกสักวิธีหนึ่งดีไหมในการที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองให้เป็นปกติสุขคือชวนคนในจังหวัดของตัวเองให้ปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในศีลในธรรมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ใช่แล้วแล้วนอกจากนี้ไม่ใช่แค่นี้นะคือบางทีเนี่ยบุญอะไรต่างๆที่เขาทําสั่งสมไว้เนี่ยมันไม่ได้ออกที่ตัวเขาก็จริงแต่ว่าเขาไปออกที่ลูก ออกที่สิ่งที่ตัวเองรักอยเช่นว่าแปลงนาเรารักแรงนาใช่ไหมมันก็ไปออกที่นูน่นเรารักลูกมันก็ไปออกที่ลูกอย่างเงี้ยลูกเรียนดีได้งานดีอย่างนี้เป็นต้นก็มีค่ะคือที่ดิฉันพูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้ เ, นเป็นเพราะว่าระหว่างที่ท่านรายงานท่านนายกเนี่ยนะคะท่านก็จะพูดตลอเวลาว่ า, อาของท่า น, นจัดการปัญหาต่างๆได้ก็จึงมีคนนั่งข้างๆดิฉันกระซิบบอกวคนนี้ปฏิบัติธรรมตลอดนะฉันก็เลยกล่าวเรียนถามท่าน ว่าเป็นเช่นนั้นหรือท่านก็บอกบอกว่าท่านก็ไม่ใช่ว่างขนาดนั่งสมาธิได้แต่ท่านใช้วิธีว่าออกกาลังพอออกกำลังเสร็จเนี่ยคราวละห้านาทีท่านจะทาสมาธินะคะและก็เหมือนกับว่าไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกเวลามีกิจกรรมอะไรที่พอจะมีสติอยู่ตรงนั้นได้ท่านจะฉกฉวยเวลาทำ เงี้ยถูกต้องที่สุดเลยเพราะว่าเราเนี่ยบางคือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะคุณยมติวไปติดรูปแบบค่ะแนะรูปแบบว่าต้องนั่งต้องหลับตาต้องชุดขาวต้องไปที่วัดอ้าวมันไม่ใช่ละคือมันไม่ใช่แค่นั้นต้องพูดงนี้นวะมันมีอื่นๆอีกเช่นว่าการที่เราขับรถทํางานอยู่ถ้าเรามีเตมีอะไรพวกนี้คือถือว่าเป็นการปฏิบัติหมดเลยนะค่ะ5้านาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้แนะคือหมายความว่าเราเราเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะค่ะท่านคะ่ะ ง อ, องั้นไม่ได้หมายความว่า อ, อจะต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเท่านั้นสิคะที่ท่านพูดเนี่ย อ, อการมีสติเป็นการปฏิบัติอยู่ในรูปแบบไหนก็ได้เอาูุยอย่างนี้คือหมายความว่าณวินาทีนั้นถ้าเรามีสติอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะนั่นชื่อว่าเป็นการปฏิบัติละลมหายใจก็ได้ไม่ใช่ลมหายใจก็ได้คือเหมือนกับว่าสมมุติดิฉันกํลาลังจัดการวิทยุเนี่ย ดิฉันก็มีสติในการสนทนากับท่านไม่วอกแวกป จ, จิตปอยใจไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ตอนที่คุณยมติวพูดอยู่เนี่ยลมหายใจมันมันติดขัดมันไม่ได้มีตลอดใช่ไหม <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเอ้ฉันมารู้ลมหายใจขณะพูดโอ้ยคุณแค่แค่พูดก็ผิดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้รู้ตลอด <Okay. S 2> แต่เพราะนั้นที่เราทำเกิด อ, อะไรคือมีสติในการพูดนั้นไม่ให้จิตเราไปในทางอากุศล แ, แค่เนี้เหรอคะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องทําให้มากกว่าที่ดิฉันบอกหรือเปล่าว่าอ่าแค่ มีสติไม่ส่งจิตวอกแวกไปเรื่องอื่นขณะที่พูดทํารายการกับท่านอยู่เนี่ยค่ะคำว่าสติสเสียต่ ต, ต่อสรีนะคุณยมติวถ้าพูดกันได้ยาวเนี่ยคุณผู้ชพูทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าพูดสั้นๆก็คือสติคําเดียวอถ้าพูดขยายความขึ้นไปอีกหน่อยนึงนก็คือการที่เราอย่างเวลาเราพูดอยู่เนี่ยเราไม่คิดไปเรื่องโอ๊ยงานตรงนี้จะทํายังไงอันี้จะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงแค่คุณไม่คิดไม่ตามไปนะหรือความคิดนั้นมาปุ๊บเราไม่ตามไปนะหรือสิ่งที่เรากลัวมาปุ๊บเราไม่หนี นะจิตที่เป็นอย่างเนี้ยคือจิตที่รู้เฉยเฉยอันนั้นหนหละคือมีสติละหรือเวลาที่เรานั่งอยู่เกิดมีความร้อนขึ้นมาโอ้ทำไมร้อนอย่างนี้งุนงิดเอาเราไม่ตามไปเราไม่หนีอันนั้นหนหละคือรู้เฉยเอันนั้นนหละมีสติละมันก็จะว่ามันแค่นี้มันก็มีรายละเอียดมากใช่ไหม <Okay. S 1> จะว่ามันแบบอา่ามันยากเกินไปมันก็ไม่ยากนะเราก็พอจะทําได้ใช่ไหม okay. เพราะนั้นมันมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของการท่านั่งไม่ได้รูปแบบของเครื่องแบบไม่ได้รูปแบบว่าต้องหลับตาหรือไม่อยู่ในท่าทางไหนมันได้ตลอดได้ผลเหมือนกันเหรอคะกับการที่ไปนั่งสมาธิหลีกเล้นแล้วก็การที่ท่านบอกว่ามีสติกับสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยนะค ะ, ะถึงขนาดที่จะทำให้เป็นวันชาวนาแถววัดป่าดอนไฮโซนะคะก็ไม่แน่เพราะว่าอะไรเพราะว่า มันอยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยได้ควบคุมมากขนาดไหนคือบางคนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการเดินจงกรมมากกว่าใช่ไหมในเอริบทเดินเนี่ยจิตเขาเป็นสมาธิมากกว่าการนั่งอย่างเงี้ยบางคนไปเจอผัสสะที่แรงๆมากก็ไม่สามารถคุมสติอยู่ได้เหมือนกันเพราะนั้นมันก็แล้วแต่นอแต่อันนี้ถ้าดิฉันจะสรุปก็คือว่าแต่ถ้าทำได้ชนิดที่ว่ามีสติอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะได้ผลเท่ากันถูกไหมคะอ๋อใช่ใช่นะคบถ้าไปนั่งสมาธิแล้วไม่ได้มีสติ <P unch> อย่าง<ช>แท้จริงรอ่าก็เสียวเวลาเ่าๆก็ไม่ได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าดำเนินชีวิตอยู่ปกติแต่มีสติทุกขณะที่เราทำอะไรใช่ก็จะได้ผลถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังอย่างไม่น่าเชื่อไหคะที่ฉันกลาบเรียนถามพระอาจารย์พิบูลถึง เรื่องของพุทธวัจนะที่ว่าด้วยฝนตกฝนแล้งท่านก็ได้พูดไปถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสไว้ว่ามีเหตุเป็นขั้นแต่เป็นตอนไปใช่ว่าเพราะวงรอบปีไม่สม่ําเสมอทิศทางลมแปรปรวนฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่ที่วงรอบของวันเดือนปีไม่สม่ําเสมอนั้นเป็นเพราะเหตุว่า วงโครจรของดวงดาวสําคัญที่เราอยู่เช่นโลกหรือว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยโครจรกันไม่สม่ําเสมอซึ่งถือว่าสําคัญมากเลยขนาดจะทําให้ดาวใหญ่ๆไม่สม่ําเสมอเนี่ยนะคะเหตุมันต้องใหญ่แต่เหตุใหญ่ที่ว่านั้นเป็นเหตุที่พวกเราไม่มีศีลธรรมไม่คนไม่ตั้งอยู่ในคุณธรรมใช่นะคะหมายถึงคนแบบเราๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกมาว่าฉันได้ยังไงฉันออกจะตั้งอยู่ในศีลธรรมขออภัยค่ะนะคะท่านภัยบู์แนะนําให้แก้ตรงนี้ และยกตัวอย่างว่าชาวนาแถววัดเพื่อนบ้านเนี่ยไม่มีน้ําใช้อย่างไรท่านก็มีน้ําใช้สม่ําเสม อ, อมชีวิตไม่เคยเดือดร้อนเพราะชีวิตจิตมีแต่เป็นกุศลและปฏิบัติเจริญในสิ่งที่เป็นสมาธิมีสติถูกไหมคะถูกต้องอยู่เรื่อยเป็นประจำใช่ท่านไผบูนจึงอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ลองหาวิธีแก้ปัญหาของตัวแก้เฉพาะเรื่องฝนตกฝนแรงหรือว่ากี่เรื่องนะคะเออมันจะแก้ได้เกี่ยวกับพัสสัทั้งหมดปัสสัที่เราชอบใจไม่ชอบใจ นั่นมันก็จะคอยป้องกันได้นะคะก็หมดเวลาแล้วอันนี้ป้องกันไม่ได้เป็นวงรอบของธรรมชาติไปทำมันก็แล้วกันนะคะ<ช>แล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์เหลือเกินสําหรับสิ่งที่ท่านพิบูลน์มาเม้าท์ให้กับเราในวันนี้กล่าวนพิธ ก, การขอบพระคุณค่ะเช่นเคยแตท่านฟังที่ครบค่ะดิฉันเองเนี่ยไม่รู้จะตอบแทนพระคุณเจ้าที่มาสละเวลาให้ธรรมะกับพวกเราทุกคนอย่างไรทีนี้ในโอกาสที่วัดท่านจะมีกระถินเนี่ยนะคะ ดิฉันก็เลยถือโอกาสนี้ที่จะบอกเบอร์บัญชีของทางวัดให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมทาบุญเพื่อที่พระสงค์ที่วัดป่าดอนหายโศกนั้นจะได้นำเอาไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในทางเผยแผ่คุณธรรมต่อไปนะคะที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรบิ๊กซีชื่อวัดป่าดอนหายโศกหมายเลข950 ขีดศูนย์ศูนย์สี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สี่เจ็ดสี่และขีดเก้าค่ะนะคะวันนี้เราก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพุทธ ส, สวัสดีค่ะ